พระธรรมเทศนาแผ่นที่78ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดกุดอนธานีสแสดงธรรมในวันที่14สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าเคารพในบริคารครูบาอาจารย์ วันนี้เป็นวันที่ส4บส่สิงหาคมพุทธศักราช2558ห้าบดวันนี้เป็นวันพระแรมส5บห้าค่ำเดือนแปดเข้าพรรษามาได้ส5บห้าวันวันนี้เป็นวันอุโบสถเมื่อเช้าก็จัทถายาจูบเขาก็ทำกิจธุระรับสินสมาทานสินของเขา ตอนเที่ยงวันนี้พวกเราก็ได้พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดห3บสามรูปในมารวมกันหลงอุโบสถจบหลงสักครู่นี้อันนีทท้ทบทวนเรื่องสินสินวินยัยสินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคต ยังอยู่ตราบนั้นเมื่อตถาคตผ่านไปแล้วเมื่อตถาคตปรินิพานไปแล้วธรรมและวิไนนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ถ้าหาว่าพวกเราพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบให้กับผู้ใดใครผู้หนึ่งเมื่อเราตถาคต ผ่านไปแล้วท่านอานน์หรือท่านกัจจปะหรือองค์ไหนจะเป็นตัวตัวแทนเราตถาคตท่านไม่ได้มอบท่านมอบว่าเมื่อตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยที่เราบัญญัติไว้นั่นแลจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตให้พวกเรายึด ยึดธรวินัยเป็นหลักเหมือนกับยึดตถาคตเหมือนกับยึดพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าวางธรรมวินัยวางกฎระเบียดไว้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงยุคนี้จุดนี้ถึงสุดท้ายปลายแดนแต่พวกเราก็ยังยึดหลักพระธรรมวินัยยึดหลักพระธรรมคําสอนอย่างที่พวกเราได้สวดลงจบลงสักครู่นี้ ว่าศีลสอริข้ออันนี้ก็คือพัภพวินัยให้กฎระเบียบที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันได้ต้องมีวินัยเป็นเครื่องคุ้มครองผู้น้อยยังทำยังไงผู้ใหญ่ทำยังไงกิริยามารยาททำยังไงอากับกิริยาและว่าการเป็นอยู่การดำรงชีพของพวกเราทำอย่างไร มีอยู่ในวินัยทั้งหมดที่เราสวดจบปรงศักครู่นี้าการอยู่การฉันการเราจะฉันไม่ฉันในเวลาอาหารในเวลาวิการ เ, าเราจะต้องใช้ผ้าสามพื้นสบงสังคาติจีบอลอย่าอยู่ปราทจากไตรจีบอลถ้าอยู่แบบปราดจากไตรจีบอลแม่คืนแรกต้องนิจะคียาปาจิตตี การเป็นอยู่พิกุลรับสิ่งท้องรับเงินและทองต่องเนจคียปาจิตเตอะไรลักษณะอย่างนี้ะที่เราสวดลงสุบแล้วก็คือการเป็นอยู่การดำรงชีพของพวกพระควรปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยหรือกฎระเบียบแต่ท่านี้มาพูด ผมเองจะมาพูดแนวปฏิปทาของพ่อแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นผมที่เคยผมเคยอยู่เป็นสมณเนยนกับองค์หลวงปูล่ลาดและก็มาอยู่กับองค์หลวงตาค่ะที่ว่าในยุคนี้สมัยนี้ก็เรื่องพระกรรมฐานที่แนวแถวหลวงปู่มั่นแล้วก็หมู่ทั้งหลายสพระสงฆ์ทั้งหลายรุ่นขององค์หลวงตาทั้งหลายก็ บอกว่าหลวงองค์หลวงตามหาบัวน่ยยึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มากกว่าทุกองค์อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกก็กล่าวทังที่องค์หลวงตามหาบัวท่านก็เรียนมาทางปริยัติจนได้ถึงเป็นมหาแต่ท่านมาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านก็สยบเคารพยอมรับหมด ที่องคหลวงปู่มั่นพาดำเนินเพราะท่านเชื่อมาทางด้านจิตใจนะไม่ใช่เชื่อมาทางตำราตารากเหมือนตำราทั่วไปตำราเนี่ยคือเป็นหลักพระไตรปิฎกอยู่แล้วแต่เรื่องส่วนลึกของจิตใจนั้นอันไหนสะหยิบอันไหนมาใช้อันไหนนามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็พาดาเนินอย่างบินทบาทเป็นวัด หลวงปู่มั่นถึงอายุ80ปออีท่านก็ไม่เคยลดละในการบินธบาตถ้าหากว่าบินธบัติวันไหนไปไม่ได้จริงๆออท่านจึงอยู่กะที่แต่พอจะไปได้ฟังฟังหลวงปูล่ลาพุทธโครงจุดท้ายขององค์หลวงปู่มั่นแต่ดูๆแล้วหลวงตามหาปัวท่านก็พูดให้ผมฟังบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่น เราก็เห็นท่านอายุ80ปีแต่แล้วนี่เราก็อายุ80ปีเราก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านในยุคส ม, มัยนั้นพวกอาหารเสริมไม่มีมีแต่อาหารป่าดวงพงไพมีแต่ฉันของเหมือนกันอะไม่ครเข้าว่าโปรตีนวิตามินอะอะไรลักษณะอย่างงั้นแหะขาดธาตุสารแร่ อย่างนั้นนะคืออยู่ตามประจิภาษาของปัา น, นอกผู้สูงอายุรู้สึกว่าท่านผอมมากแล้วก็ท่านรู้สึกว่าร่างกายของท่านไม่มีเนื้อมไม่มีน้ำมีเนื้อลักษณะอย่างนั้นหนละลงตาพูดให้ผมฟังนะแต่เราก็เห็นในรูปภาพแล้วก็อย่างนั้นจริงๆหลวงปู่มั่นเพียงอายุแปดสิบปีแต่ท่านก็ได้ ละสังขารจ ต, ตินิราานแต่หลวงตาท่านก็นมาพูดให้ผมฟังในช่วงที่เอ่อที่หลวงตาอายุแปดจิบกว่าก็เล่าเพิ่งก็เล่าเล่าย้อนหลังให้ฟังคล้ายๆว่ายบับๆให้ฟังท่านก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเรื่องการเป็นอยู่ยุคนั้นสมัยนี้แต่ถึงยังไงหลวงปู่มั่นท่านอยู่บ้านน้องผือนาในายอย่างที่องค์หลวงปู่ล่าท่านเล่าให้ฟัง แต่หลวงตาไม่ค่อยได้เล่าในรายละเอียดหนะลวงปู่ล่าท่านจะเล่าในรายละเอียดให้ฟังเวลาท่านป่วยนะบินทบาทไม่ได้นะบางทีไปถึงพอพ้นเขตวัดนั้นนหละศรัทธาญาติโยมกันนะคอยกันมาใจบาทพอมาแล้วขยับมาอีกที่หน้าวัดบางทีมาที่หน้าศาลาอย่างนั้นแ่ะแต่ถึงยังไงไหลวงปู่มันก็ยังบินทบาท ถือว่าบินทบาทเป็นวัดของท่านแต่เมื่อท่านฉันอยู่ท่านก็ต้องบินทบาทเนี่ยอันนี้ท่านถือบินทบาทแล้วก็ท่านฉันอาชนะเดียวเป็นวัดพอตอนบันกลางวันที่ท่านอาการหนักขึ้นเขาก็เอาน้ํามะพร้าวเนี่ยบางอย่างก็ไม่มีนะขนมนมเนยมันไม่มีนะอนมก็ไม่มีมีแต่น้ํามะพร้าวเนี่ยเป็นอาหาร เป็นของที่มีรสหวานมาถวายท่านแต่ว่านโอ้ใช่ไม่เอาแล้วไปบำรุงบำาเลอมันอะไรเหมือนกับต้นไม้มันยอดขุดยอดยอด้วนมาพอแรงแล้วถึงจะใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ไม่มีทางทา ง, ท, างที่จะงอกเงยไปข้างหน้าจะไปบำรุงมันอะไรก็รู้มันอยู่เอาละพอละคล้คววายๆกับท่านยังยึดแนวปฏิปทาในการอยู่การฉันของท่านเลย สงภูวาดลูกปูลาท่านอโอ้ยังเด็ดเดียวฮะยังไม่หวั่นไหวการอยู่การฉันไอ้องหลวงปู่มันนี่แหล ะ, ะแล้วก็การฉันก็ฉันมือเดียวฉันอาชนะเดียวถือผ้าไตรสามผืนอันนี้คือแนวท่านยึดแนวแถวของพระมหากรตปะ ในศาสนาของพระพุทธเจ้านะคือพระมหาคส ป, ปะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ถือผ้าไตรนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่มาถึงหลวงปู่ล่าท่านถือขนาดนั้นนั้นไม้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นท่านยังมีผ้าอผ้าบริขารโจรให้ากับอย่งผ้านุ่งมีผ้าสะบองขันผ้าอธิษฐานสะบงขันแลก็มีผ้านุ่งผ้าอาบน้า ลักษณะอย่างนั้นแนหะท่านก็ใช้แต่โค้งหลงตาก็เช่นเดียวกันแต่ห ล, ลงตาเนี่ยจะใช้น้อยกว่าหลงปูล่าหนะลงปูร่าเนี่ยยังใช้มากกว่าอยู่แต่หลงตารึกสึกว่าใช้น้อยเว้นเสียแต่โค้งสุดท้ายที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็อย่างว่าเดี๋ยวผืนหนึ่งเปลี่ยนเข้าไปเดี๋ยวผืนหนึ่งออกมาอันนี้ก็มีอยู่ท่านปัตตะวะอุจละอะไรราดต้องได้ใช้มาก แต่ตามปกติท่านก็ไม่ได้ใช้มากเพียงแต่ผ้าพื้นสองพื้นเท่า น, นั้นเองในการใช้ผ้าของท่านอันนี้ผมคนดูแลปลน่นในบาดท่านแต่จีวรนี่ก็นี่แหละ <c oughs> ผ้าห่มรับแขกพื้นหนึ่งบางๆพอมันร้อนแล้วก็อีกพื้นหนึ่งเพื่อเป็นการผัดเปลี่ยนแต่สังขารติแล้วก็ผ้าจีวรเวลาปิ่นทบาทกลับมาแล้วก็นั่นละ่ะเออ ใช้ผืนนั้นเวลาบินทบาทของผ้าไปบินธบาทแต่เมื่อท่านยังหนุ่มท่านครองทั้งสังคาติและจีบอถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกอากาศไม่ตกไม่มีฝนทั้งก็คลองผ้าทั้งสังคาติและจีบอ <c oughs> เขาไปในบ้านแต่พอมาถึงเราก็รีบรับผ้าท่านพอมาถึงท่านจะครองผ้าเดินมาเรื่อย พอมาถึงเราก็่อนเราตากผ้าของท่าน่ะเราก็ไม่ให้ใครตากราว่ะแต่ว่าเราเป็นที่รู้กันทั้งวัดล่ะอันนี้คือราวผ้าสังฆาตตากผ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แปลว่ากถ้าจะตากก็ตากที่อื่นถึงจะเต็มขนาดนี้ก็ตากที่อื่นตรงนี้ห้ามเด็ดขาดถึงจะว่างก็ตากไม่ได้เพราะอยู่ในพระวินัยต้องเคารพ อต่วันนี้คือลาวผ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปตักซ้ำซ้อนไม่ได้อ่อย่างที่สังอยู่ที่ศาลาก็เหมือนกันศาลานี่ยอยู่ที่ศาลาห้ามไม่ให้ใครตักบนสล า, าเพราะเป็นลาวผ้าขององค์หลวงตาจะเป็นผ้าจีวรผ้าอาบน้าผ้าอะไรถ้าเราซักเรวจะขึ้นไปตากตรงนั้นละ ไปตากตรงที่ลาวผ้าของของขององค์หลวงตาถือว่าเป็นลาวผ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่องค์อื่นไปตากตากที่อื่นได้อแต่ตรงจุดนั้นห้ามอันนี้ก็คือพวกเราอยู่ในอยู่กับองค์หลวงตารู้จักในดูท่าหากว่าดูเห็นนพระวินัยของพี่พระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าเลไล พระอานุ์เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ห้าองค์เดินตามพระอนุนบอกให้หยุดอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปองค์เดียวเพราะพระพุทธเจ้าประทับอยู่องค์เดียวพวกเราจะกูเข้าไปทั้ง500รก็ยังไงผมจะเข้าไปกราบขออนุญาตท่านก่อน <c oughs> แล้วก็แล้วผมจะออกมาตามพวกท่านให้พวกท่านหยุดชั่นี้ก่อนนะแต่นี้พอเดินเข้าไปช้างป่าเลไล เห็นพระอานน์เดินเข้ามาทั้งนั้นนะ่ะถือตะพดวิ่งแป้นออกไปเลยไหอพระองค์นี้จะมาลบกวนพระพุทธเจ้าเนี่มาลบกวนนั่นเหรอพระองค์เอ้ยปาลายลายศอันนั้นคือเป็นพุทธอุปถากเรายศก่อนนะช้างก็ถอยหลัง <c oughs> หยุดวางขนาดวางรถแล้วอย่ามอง อ, อ, อีกนะ พระองค์นี้จะรู้จักวัดหรือเปล่าจะไปวางบริขารไว้ในที่นั่งพระพุทธเจ้าหรอถ้าวางไว้บริขารเ น, นี่ข้าจะเอาตะพดตีหัวพระองค์นี่ฮะไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำโวะไม่ใช่ธรรมดาเนะช้างปาเลไล่ผ้าก็เหมือนกันจะไปพาดทิ่ราวหรือสายจดียงของพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าขืนผากไปนั่นตอนโดนตีหัว อันนี้ก็คือในในพูดในพระไตรัยปิฎกเพราะฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เรายกให้เลยระเดียงระเบียงของสายระเดียงสายเสดียงหรือว่าสายตากผ้าของท่านเราต้องเก็บไว้ที่วางของของท่านเราต้องเรียบไว้กาน้ําของท่านแก้วน้ําของท่านอาสนะของท่านเราก็จะมาวางมาตากตรงนั้นแหะมันเป็น สายส่วนตัวของท่านเนี่แหละอันนี้ก็คือการเคารพในอาจารียวัดคือวัดของอาจารย์อันนี้คือเป็นประเพณีจะว่าอย่างพุท ธ, ธมาก็ใช่แต่ทุกวันนี้มาถึงยุคนี้สมัยนี้มันเรื่อนรางแต่มีพระกรรมฐานท่านยังเคารพในข้อวัดปฏิบัติในครูบาอาจารย์ที่เราได้ เข้าไปครบรสศึกษาออย่างกาน้ําของท่านก็ดีแก้วน้ําของท่านก็ดีถ้าชายไปใครไปฉันน้ําในแก้วน้ําของท่านะเออไม่ได้เยอย่างหลวงปู่ลาศท่านเคยเคยพูดให้ฟังเอหลวงพ่อยังจําเป็นแน่นอนอ ย, ย่างจําไม่ลืมก็มีพระอาจารย์องค์หนึ่งเป็นรุ่นพี่ของหลวงปู่ลาศนะมาก็เห็นมันไม่มีแก้วน้ําอะเอเห็นแก้วน้ําของ อาจาร ย, ย์วางไว้กันเลนยก็เลยเอาใส่น้ำก็มาฉันหลวงตามหาปัวเห็ น, นชี้นิ้วทันทีเลยถ้ามาศึกษากับเรามาอยู่กับเราแต่มาใช้แก้วน้ำอย่างนี้นี่นะสมาธิคุณธรรมไม่เกิดในจิตใจคุณธรรมสมาธิจะไม่เกิดแปลว่าป ร, รารสตีเสมอไม่ควรจะ ไม่ควรจะทําอย่างนี้จากนั้นมาในหลวงปูลนะ่ล่าเนี่ยแหละปรับอบัดทุกโกรอีกนะนการใช้อย่างนี้ปรับอบัดทุกโกรอีกนะให้ดูการใช้บริขาร <c oughs> การใช้บริขารของระของครูบาอาจารย์ตัวเองสิทธิ์มาใช้บริขารร่วมกับอาจารย์ปรับอบัดทุกโกรนะ อันนี้ก็คือหลวงตาที่หลวงปู่ล่าท่านพูดให้ฟังผมก็เลยไปค้นดูอีกใช่มันจริงจริงจรนะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวเกตเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาให้พวกเราเท่าทั้งหลายฟังเอาไว้นะอันนี้ก็คือแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นการอยู่การฉันการพักการผ่อนของท่านทางเดินจตกรมของท่าน เ, าเราก็ไม่ควรจะไปเดินเดินเล่น ในทางเดินนกลมเว้นเสียแต่เราไปปัดไปกวาด <c oughs> เออเราก็ต้องปัดกวาดได้แต่จะไปเดินแบบไม่ขาดความเคารพนะในสถานที่ของท่านไปนั่งเล่นไปนั่งตามที่ในที่พักที่นั่งที่นอนของท่านอันนั้นเราต้องแสดงความเคารพอย่างพระอนุนพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ณสถานที่ใด เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระอานนท์ไปถึงจุดนั้นเนี่ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าประทับแสดงพระธรรมเทศนาหรือประทับถือศีหาสายญาติคือนอนพระอานนท์จะคุ ก, คกเข่าคานเข้าไปทำความสะอาดในที่ประทับของพระพุทธเจ้าในที่บันทมของพระพุทธเจ้า จะเหมือนพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่นี่แหละอันนี้แหละคือต่ตาไม่ยิงพระพุทธเจ้าประริณิพานไปแล้วไม่มีรูปร่างเลยพระอา น, นุลจะเดินโยงโยงเข้าไปก็ได้ทําอะไรก็ได้ปัดกวาดเอาฝุ่นตะปุ้งปังปุ้งปังไปเลยก็ได้แต่พระอานนุ์เคารพในพระคุณของพระพุทธเจ้าเหมือนกับสมพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในตรงนั้นคลานเข้าไปแล้วก็เช็ดทําความสะอาด ตรงไหนที่มีฝุ่นมีละออง ก, ก็เอาออกม า, าสบัดให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยก็เข้าออกไปปูไว้ให้ประจําที่นี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเยี่ยงอย่างแสดงถึงความเคารพในครูบาอาจารย์ในพระผู้มีอายุพันที่มีถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพันษานี่นี่แหละอันนี้แหละคือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เอออันดีงามเออมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นครูบาอาจารย์ทำสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเออพวกเราก็เข้าไปกราบขอโอกาส ข, อ, อ, กาสข อ, อกาสครับท่านพระอาจารย์เอท่านอาจารย์พูดพูดอย่างนี้นี้ทำอย่างนี้นี้เออไม่น่าจะถูกต้องนะครับผมเพราะมันเหตุผลมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องอ้างเหตุผลถวายท่าน แต่สาหรับผู้เป็นอาจารย์จะด่าลูกศิษย์ยังไงท่านทำนี้ได้ยังไงท่านยังทาไม่ได้ น, ะนักวัดนักแผ่นดินหนีนะอันนี้คือครูบาอาจารย์เพราะว่าเราเข้าไปศึกษากับท่านท่านต้องใช้วาจาที่ว่าเข้มแข็งในการปกครองบริหารแต่ลูกศิษย์ลูกหาจะไปพูดอย่างเหมือนกับครูบาอาจารย์ไม่ได้ต้องขอโอกาสก่อน ถ้าไม่ทําอย่างนั้นปรับอบัตทุกกฎนี่อันนี้ก็คือพระวินัยที่พระธรรมวินัยการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักภูอวุโสพันเตนะใ ห, ให้รักเคารพซึ่งกันและกันเพราะนั้นขอให้พวกเราพระลูกพระหลานทุกองนะให้อยู่ในกฎ อ, อยู่ในระเบียบ ถ้าทําได้อย่างนี้นะ่ยมีแต่ความเจริญมีแต่ความพลาเยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจนะถ้าเราทําให้ถูกแล้วมันขวางกันนะขวางแล้วเดือดร้อนวุ่นวายทุกชิงทุกอย่างนั่นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพระเนนลูกหลานทุกองค์นะบวชเข้ามาคราวนี้ครั้งนี้ก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันนี้พูดเรื่องกฎระเบียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษา ที่หลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่หลวงตามาเป็นยังไงแนวปฏิปทาของท่านก็ให้บอกให้ลูกหลานได้พระลูกผานหลานได้เป็นแนวทางเพื่อการเรียนรู้การศึกษานะแล้วก็เรื่องทางด้านจิตใจกับหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเรานําแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นนี่แหละสมัตะจะทําจิตใจให้สงบยังไง กำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้แหละคือสมรถะและการพิจารณากาให้พิจารณาร่างกายคือกรรมฐานห้าเกสาโลมาณขาตันตาตาโจเกสาผมโลมาขนณขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังนำมาพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่สวยงามอย่างที่พระอุปชาสอนให้เป็นอสุภะปฏิกูลมันไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้ามันเป็นของเราเราก็บอกเอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันก็บอกฟังบอกได้ใช้ฟังอันนี้คือของเราแต่ถ้าบอกได้บอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังเราจะไปถือว่าของเราได้ยังไงอีกสักวันหนึ่งนะใจเอ้ยอย่าไปหลงนะเดี๋ยวใจจะเป็นทุกข์กับร่างกายนะเดี๋ยวก็จะมือกั้งโกบนะออมองดูร่างกายสังขารนนะ่ะพอมันไปตามปะ ไปไปตามเรื่องของมันใจของเราทางเราไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาไว้ให้ทีทวนแล้วนะใจจะเป็นทุกข์นะใจเนอให้พิจารณาไว้แต่เนินเน่นเนะร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรานอะอีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบมันก็ไปตามอายุสังขารของมันเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเสนาสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารก็คือร่างกายสังขารไม่เที่ยง สัญญาอนิจจาความจำได้ไมมรู้ก็ไม่เทียงสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังความรับรู้รับทราบก็ไม่เทียงนี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจงเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นเราจะไปยึดในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ใ ห, ให้รู้ให้เห็นเอาไว้ น, นี่คือหลักธรรมอันนั้นคือแนวความคิดทางด้านจิตใจนะ แต่เรื่องกิ จ, จวัตรคอวัดนะั้นเป็นเรื่องพิจนายเราต้องยึดต้องถือต้องปฏิบัติตามแต่ทางด้านจิตใจนั้นแล้วเมื่อเราพิจารณาส่วนลึกเข้าไปแล้วนะพยายามปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เพราะ ม, มันเป็นของอนิจจงเป็นเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตามันอยู่ในโลกที่ทั้งหมดนะในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วนะพาลูกพระหลานทั้งหลายจะมีความเอ เป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะมีธรรมธรรมเข้าสู่จิตใจนะธรรมธรรมความรู้จักพอดีความปล่อยวางความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมที่ขั้นสูงลูกหลานนะพระลูกพระหลานนะฝึกหัดดูก็ได้ฝึกหัดไปเรื่อยๆนะใหนะ้ฝึกหัดไปเรื่อยๆป ร, ป, ปรับจะไปทําอย่างนั้นเลยทีเดียวมันก็ยากนะเพราะเหตุไรเพราะว่า เราจะต้องเรียนจะ ต, ต้องศึกษาเพราะถ้าปรักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเรียนต้องศึกษาไปเรื่อยแถวเว้นเสียถ้ผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่เข้ามาแล้วนะี่พอท่านพูดท่านแสดงทําให้ฟังเป็นเกดเล็กเก็ดน้อยก็ได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลแต่ถ้าหาว่าพวกเราในบอมเพนบารมียังไม่แก่กล้าก็พยายามทำ เก็บหอมลอมริบศึกษาไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆมันไหนมีเหตุมีผลก็นำมาปรปับปรุงแก้ไขกายว า, ายใจใจของตนเองเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องแนวข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงพอโลกนี่มันมันถ้าจะว่าไปแล้วเป็นสถานที่ศึกษานะเป็นสถานที่ศึกษาพอศึกษาพอศึกษาแล้วก็หาได้ใช่ไหอหาดีก็ได้หาโช์ก็ได้ หาบาปหาบุญหาคุณหาโทษหานรกสวรรค์หาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็ได้หาความชั่วใช่ตนเองก็ได้โลกนี้มันโลกหาได้นะคุณแม่ชีแก้วท่านว่าอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานจริงๆนะหลวงพ่อว่านะเราจะหาอะไรเรามาบวชก็มาหาคุณงามความดีนะหาบุญหาก็สวนเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะต่อนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกนะวันนี้นะ